ทรงประชุมสงบนญยสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีให้ผู้อื่นพนธนาเพราะเข้าใจผิดเพราะใข้ครวรผิดจริงหรือภิกษุทั้งหลายถูกรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคกุธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลาย